เจริญพรท่านผู้มีจิตศรัทธามีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาทุกทุกท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่13สิงหาคมพุทธศักราช2554เป็นวันที่ท่านในเวลาว่างจากภาเล็กติดการงานตา่ตาง จึงได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาทำประโยชน์มาทำความสุขให้แก่ชีวิตของตนด้วยการทำบุญให้ทานรักษาศีลฟังเทศฟังธรรมและปฏิบัติธรรมเพราะเป็นทางที่พระพุทธเจ้าและพาสงฆ์อริยสงฆ์สาวกทั้งหลายได้ปฏิบัติ และได้รับผลอันเลิศอันประเสริฐมาแล้วพวกเราเมื่อได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนของพ่อพระพุทธเจ้าก็เลยเกิดศรัทธาเกิดความเชื่อตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสอนไวว่าการทำบุญนี้มีผลการทำบาปก็มีผลทั้งๆ ท, ท, ที่เรา ยังไม่เคยเห็นผลของบุญก็คือสวรรค์และผลของบาปก็คือนอรกอย่างน้อยเราก็มีความเชื่อเนื่องจากเราเชื่อว่าร่างกายของเรานั้นเป็นเพียงครึ่งหนึ่งของเราเรายังมีอีกครึ่งหนึ่งก็คือใจร่างกายของเรา ตายไปแล้วแต่ใจของเราไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจนี่แลเป็นผู้ที่ไปรับผลต่อไปรับผลบุญก็คือสวรรค์รับผลบาปก็คือนรกอันนี้เป็นความเชื่อที่ตรงกับความจริงเพราะว่าพระพุทธเจ้าทรงเห็นแล้วจากการปฏิบัติ ทรงมีดวงตาเห็นธรรมทรงตัดสรู้เห็นความจริงก็คือเห็นธรรมชาติที่เราเรียกว่าใจนี้เองใจนี้เป็นผู้มีความรู้สึกนึกคิดเมื่อคิดแล้วก็จะสร้างสร้างพบต่างๆขึ้นมาถ้าคิดดีก็จะสร้างสุขติถ้าคิดไม่ดี ก็จะสร้างทุกขติสุกติก็คือพบของมนุษย์ของเทพของพรและของพระอริยเจ้าต่างๆส่วนทุกขติก็คืออบายพบของเดรัจฉานของเปรตของอสุรกายและของสัตว์นรกผู้ที่จะเป็น เทพเป็นพรหมเป็นอริยเจ้าเป็นเปรตเป็นเดราาัจฉานหรือเป็นสัตว์นรกนี้ก็คือใจนี้เองใจเมื่อกระทำแล้วใจก็จะเปลี่ยนไปตามการกระทำของตนทำดีใจก็จะเป็นเทพทำบาปใจก็จะเป็นมารเป็นนรกขึ้นมาในขณะที่เรามีชีวิตอยู่มีร่างกายอยู่ การกระทำของเราทั้งบุญและบาปก็จะถูกเก็บไว้ในธนาคารบุญและในธนาคารบาปและในขณะเดียวกันเราก็จะได้ลิมรสผลของสวรรค์และของนรกในขณะที่เราทำบุญหรือทำบาปเช่นเวลาที่เราทำบุญอย่างในขณะ น, นี้ใจของเราก็จะมีความสุขมีความอิ่มเอม มีความพอใจมีความสุขใจมีความภูมิใจใจของเราตอนนี้ก็ได้ลิ้มรสกับสวรรค์ที่จะตามมาต่อไปหลังจากที่เราตายไปแล้วหลังจากที่ร่างกายนี้แตกดับไปแล้วใจของเราก็จะไปเบิกบุญหรือบาทจากธนาคารบุญหรือธนาคารบาท ขึ้นอยู่ว่ากรรมหรือการกระทําของเราอันไหนมีกำลังมากกว่าถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนกับการฝากเงินตามระยะเวลาอันไหนฝากก่อนอันนั้นก็จะออกดอกให้ก่อนแต่กรรมหรือบุญนี้ไม่ได้อยู่ที่ก่อนหรือหลังแต่อยู่ที่ความรุนแรงของบุญ รือของกรรอันไหนมีความรุนแรงกว่าอันนั้นก็จะส่งผลก่อนท่านเปรียบเหมือนกับวัวที่อยู่ปากคอกถ้านในคอกนี้มีวัวหลายขนาดมีตัวเล็กตัวใหญ่ที่จะรอออกจากคอกที่จะไปรออยู่ที่ปากประตูตัวใหญ่ก็จะต้องมีกำลังมากกว่าที่จะไปรออยู่ที่ปากประตู พอเปิดประตูปั๊ตัวใหญ่ที่สุดก็จะออกไปได้ก่อนเรื่องของบุญของกรรมก็เช่นเดียวกันบุญกรรมที่เราสะสมกันเอาไว้นี้ก็จะเจริญเติบโตเหมือนกับวัวในคอกตัวไหนถ้าทําอะไรมากๆตัวนั้นก็จะเจริญเติบโตมากเช่นถ้าทําบาปมากตัวนั้นก็จะเจริญเติบโตมาก ถ้าทำบุญน้อยตัวนั้นก็จะตัวเล็กดังนั้นถ้าเราอยากจะให้บุญส่งผลเราไปสู่สุขติหลังจากที่ร่างกายนี้แตกดับไปแล้วเราก็ต้องพยายามสร้างบุญให้มากๆทำบุญให้มากๆและบุญนี้แต่ละชนิดก็มีกำลังไม่เท่ากัน บาบก็เช่นเดียวกันมีกําลังไม่เท่ากันบาบบางชนิดนี้มีกําลังแรงมากถึงแม้จะมาทําไม่มากแต่จะมีกําลังมากเหมือนกับทําบาบเล็กๆน้อยๆไปไปหลายๆครั้งเช่นอนันตานิยกรรมเป็นต้นอันนี้เป็นกรรมที่หนักมากเมื่อทําแล้วจะเป็นวัวปากคอกทันที จะเป็นตัวที่จะส่งผลให้ไปต้องไปรับใช้กรรมอันหนักหน่วอนันตาริยกรรมนี้ก็มีสี่ด้วยกันคือหนึ่งการฆ่าพระอรหันต์การฆ่าพระการฆ่าพ่อการฆ่าแม่การทำให้สงแตกแยกและการทำให้พระพุทธเจ้าสงห่อเลือด นี่คือการกระทำที่ถือว่าเป็นกรรมที่รุนแรงมากแต่ผู้ที่กระทำนี้หรือผู้ที่ถูกกระทำผู้ที่กระทำจะต้องรู้ว่าผู้ที่ถูกกระทำนี้เป็นใครถ้าไม่รู้ก็จะไม่ได้เป็นบาปมากเป็นอนันตริยกรรมเช่นถ้าไม่รู้ว่าเป็นพ่อเป็นแม่อย่างนี้ไม่รู้ว่าเป็นพระ อ, อรหันต์หรือเป็นพระพุทธเจา้า ทำไปโดยไม่รู้ว่าท่านเป็นบุคคลเช่นนั้นการกระทาก็จะไม่รุนแรงบาปก็จะไม่รุนแรงเหมือนกับการกระทาที่รู้ว่าเป็นใครรู้ว่าเป็นพ่อรู้ว่าเป็นแม่รู้ว่าเป็นพระอาหารหันต์รู้ว่าเป็นพระพุทธเจ้าแต่ยังทำอยู่อย่างนี้ก็จะเป็นอนันตริยกรรมแต่ต้องไปตกนรก ขุมที่ลึกที่สุดและจะต้องใช้กำรมไปเป็นเวลาอันยาวนานยกตัวอย่างพระเทวทัตพระเทวทัตนี้ท่านก็ทำทั้งบุญและทำทั้งบาปท่านได้บวชเป็นพระได้รักษาสีงได้เจริญสมาธิจนมีฤทธิ์มีเดชแต่ท่านยังไม่ได้เจริญทำขั้นสูงสุดคือขั้นปัญญา ใจของท่านจึงถูกกิเลสตัณหาครอบงำอยู่ทําให้ท่านมีความปรารถนาความอยากเป็นใหญ่เป็นโตจึงกล้าขออนุญาตจากาพ่อพระเจ้าขอเป็นผู้ปกครองสงฆ์แทนพระพระเจ้าด้วยการอ้างว่ า, าพ่อพระเจ้านี้มีพระชนมาายุมากแล้วแก่มากแล้ว ไม่มีความสามารถที่จะปกครองสงได้เท่ากับพระเทวทัตแต่พระพุทธเจ้าทรงรู้ว่าพระเทวทัตนี้ยังมีจิตใจที่เต็มไปด้วยติเลสตัณหาถ้าปล่อยให้ปกครองสงก็จะทำให้เกิดความเสียหายหเกิดความเสื่อมเสียตามมาอย่างมากจึงไม่ทรงอนุญาตพอไม่ได้รับอนุญาตก็เกิดความโกรธแค้นโกดเคือง พยายามทำลายพระพุทธเจ้าทำลายพระพุทธเจ้าถึงสามครั้งครั้งแรกก็ส่งคนไปฆ่าก็ไม่สำเร็จครั้งที่สองปล่อยช้างออกมาเหยียบก็ไม่สำเร็จครั้งที่สาก็ปล่อยหินลงมาเพื่อให้ทับพระพุทธเจ้าให้ตายปล่อยหินจากบนเขาลงมาแต่ก็เพียงทำแต่ให้พระบาทห่อเลือดเท่านั้น แล้ยังมีทำบาป ค, คือยุยงให้สงเกิดความแตกแยกเป็นสองฝ่ายเป็นฝ่ายเทวราชและเป็นฝ่ายพระพุทธเจ้าการกระทำอันนี้เป็นบาปกรรมที่หนักมากจึงทำให้พระเทวราช ต, ต้องไปตกนรกก่อนทั้งทั้งที่ได้บวชได้ทำบุญได้รักษาศีลได้ปฏิบททัติธรรมมีสมาธิแต่บุญเหล่านี้ มีกำลังอ่อนกว่าบาปที่พระเทวทัตได้ทำไว้จึงต้องไปใช้กรรมในนรกอเวจีก่อนแล้วหลังจากนั้นเมื่อหมดกรรมแล้วได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะได้บงเพ็ญและจะได้ตัดสรุเป็นพระปเจกพระพุทธเจ้าต่อไปนี่คือเรื่องของบุญและบาปที่เราทำกัน บุญก็ส่วนบุญบาป ก, ก็ส่วนบาปไม่สามารถมาลบล้างกันได้เช่นเมื่อคืนนี้ไปดื่มสุราแล้ววันนี้ก็เลยมาทำบุญตักบาปถวายสังฆทานแล้วจะหวังว่าจะได้ลบล้างบาปที่ทำไว้เมืม่อคืน น, นี้บุญนี้ไม่ลบบาปบาป ก, ก็ไม่ลบบุญบุญก็เป็นบุญบาปก็เป็นบาป เป็นเหมือนบัญชีสองบัญชีต่างกันทำบุญก็เข้าบัญชีบุญทำบาปก็เข้าบัญชีบาปแล้วก็จะถึงเวลาก็จะต้องส่งผลให้ทั้งบุญและบาปและการส่งผลของบุญและบาดนี้ก็ไม่รู้ว่าจะส่งเมื่อไหร่บางทีคนเราก็เลยเห็นความเข้าใจผิดไปว่าทำบาปแล้วทำไมได้ดี นั่นก็เป็นเพราะว่าการได้ดีนี้เป็นผลของบุญที่ทำมาในอดีตแล้วมาส่งผลในขณะที่กำลังทำบาปในทางตรงกันข้ามทำดีแล้วกับได้ผลไม่ดีชีวิตตกต่ำก็ไปคิดว่าทำบุญแล้วไม่ได้ดีแต่ความจริงชีวิตที่ตกต่ำหรือผลที่ไม่ดีนี้ เกิดจากการทำบาปมาในอดีตเพิ่งมาส่งผลตอนนี้ดัะนั้นพวกเราอย่าไปหลงผิดอย่าไปคิดว่าทำดีแล้วไม่ได้ดีทำบาปแล้วได้ดีมีถมไปอันนี้เป็นความเข้าใจผิดทุกคนทำดีก็ต้องได้ดีทำบาปก็ต้องได้บาปอย่างแน่นอนเพียงแต่เวลาที่จะได้นี้มันไม่ แน่นอนเท่านั้นเองอันไหนจะมาก่อนอันไหนจะมาหลังแต่ขอให้เราเชื่อพระพุทธเจ้าได้อย่างเต็มที่เลยว่าทำแล้วจะต้องมีผลอยู่ในใจของเราทันทีในขณะนี้เราทำเราก็เกิดความสุขใจเกิดความพอใจเกิดความอิ่งใจอันนี้ก็เป็นเหมือนกับได้ริมรถผลตัวอย่าง แต่ผลส่วนใหญ่นี้จะถูกเก็บเอาไว้ในธนาคารของบุญรอเวลาที่เราตายไปแล้วใจของเราก็จะได้ไปรับผลบุญเต็มที่เลยรับไปจนกระทั่งหมดเราจึงค่อยกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่อย่างพระเทวทัศน์นี้ก็ต้องไปตกน้ำลงจนกว่าบาป ท, ที่ทำไว้จะหมดไป แล้วถึงจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วมาบำเพ็ญปฏิบัติจนได้บรรลุเป็นพระพระประเจกกะพระพุทธเจ้าต่อไปอย่างพระอย่างพระเวชสันดอนนี้ก็เช่นเดียวกันท่านก็ทำบุญทั้งชาติทั้งชีวิตมีอะไรก็แจกจ่ายให้คนอื่นไปหมดใครอยากจะได้อะไรมอขอท่านก็จะแจกไปหมดพ อ, อท่าน พอร่างกายของพระเวชสันดรตายไปใจของท่านก็ไปอยู่บนสวรรค์ใจเป็นสวรรค์ไปรับผลของบุญที่ท่านได้ทำเอาไว้พอบุญที่ได้รับทำนั้นหมดแล้วก็กลับมาเกิดเป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะต่อไปแล้วก็มาสร้างบุญต่อมาปฏิบัติธรรมต่อ จนได้ตัสรูเป็นพระอาหารหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของสัตว์โลกเช่นพวกเราทั้งหลายมาจนถึงปัจจุบันนี้แต่ใจของท่านห ล, หลังจากที่ร่างกายของท่านได้แตกดับไปแล้วก็จะไม่ไปสวรรค์ชั้นใหนจะไปสวรรค์ชั้นนิพพานชั้นเดียวเท่านั้นซึ่งเป็นสวรรค์ที่ไม่เสื่อม เป็นความสุขที่เป็นปรมังสุขขังคือถาวร น, นั่นเองเป็นความสุขที่ไม่เสือ่อมเป็นสวรรค์ที่ไม่เสือ่อมท่านจึงไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกต่อไปไม่เหมือนกับสวรรค์ชั้นอื่นๆที่เมื่อได้ขึ้นไปแล้วก็จะเสื่อมไปแล้วก็จะต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อมาสร้างบุญสร้างบาปใหม่ ถ้าสร้างบาป ก, ก็ต้องไปใช้กรรมในอบายพอหมดกรรมแล้วก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่นี่คือการเวียนว่ายตายเกิดของพวกเราพวกเรานี้ขึ้นสวรรค์ตกนรกกันมานับไม่ถ้วนแล้วเพราะเราทำทั้งสองอย่างบาปเราก็ทำบุญเราก็ทำเมื่อทำไปแล้วพอถึงเวลาบุญและบาปก็จะส่งผล ให้เกิดขึ้นทั้งในขณะที่เรามีชีวิตอยู่และในขณะที่เราตายไปแล้วตายไปแล้วก็ต้องไปนรกหรือไปสวรรค์ขณะที่มีชีวิตอยู่ก็จะต้องพบกับความสุขหรือความทุกข์ต่างๆมีมากมีน้อยขึ้นอยู่ที่บุญและบาปที่ทำไว้นี่เองดังนั้นขอให้เราจงเชื่อเรื่อมบุญเรื่งบา ถึงแม้ว่าเราจะไม่เคยเห็นนรกหรือเคยเห็นสวรรค์ก็ขอให้เราดูที่ใจของเรานี้เพราะนี่ที่ใจนี่แหละเป็นที่ตั้งของนรกและของสวรรค์ใจที่มีความสุขนี้เรียกว่าสวรรค์ใจที่มีความทุกข์นี้เรียกว่านรกอย่าไปหาสวรรค์หรือนรกในสถานที่อื่นเพราะไม่มี มีอยู่แต่ในใจของพวกเราแต่ละคนเท่านั้นอย่าขึ้นไปบนท้องฟ้าหาสวรรค์หานางฟ้าติดปีกบินไปบินมาอย่าไม่มีทางเจอเพราะว่ามันไม่ได้อยู่บนท้องฟ้านั่นเองสวรรค์นี้อยู่ในใจเรานารกก็อยู่ในใจเราเวลาที่เรามีความสุขเวลานั้นเราก็กำลังอยู่ในสวรรค์ เวลาที่เรามีความทุกข์เวลานั้นเราก็จะอยู่ในนรกการกระทำของเรานี้ก็มีทั้งนรกจริงและสวรรค์จริงและนรกเทียมและสวรรค์เทียมพวกเราต้องระวังอย่าไปหลงกับสวรรค์เทียมเช่นคนที่ทำบาสนี้เขาก็ได้ขึ้นสวรรค์ชั่วคราว เวลาทำบาปแล้วเขาก็มีความสุขใจเช่นเวลาเขาไปรักทรัพมาเขาก็มีความดีใจได้ทัพมาแต่หลังจากนั้นแล้วเขาก็เกิดความทุกข์ใจตามมาเกิดความวิตกกเกิดความกมังวลเกิดความหวาด ก, กลัวแล้วก็เวลาถูกจับไปลงโทษก็จะเกิดความทุกข์ใจอย่างมาก อย่างนี้เราเรียกว่าเป็นสวรรค์เทียมนรกแท้ทำบาปแล้วมีความสุขแต่เป็นความสุขเหนียวเดียวเป็นสวรรค์เทียมแต่สิ่งที่ตามมาก็คือนรกแท้ความทุกข์ใจในทางตรงกันข้ามเวลาเราทำบุญเวลาเราไปอยู่วัดไปปฏิบัติธรรมเรารู้สึกว่ามันยากลาบากมันทุกข์ แต่นี่มันเป็นนรกเทียมคือมันยากลำบากในช่วงใหม่ๆแต่พอเราอยู่ไปได้นานเข้าแล้ ว, ลวเราได้ปฏิบัติทมทำจิตใจของเราให้สงบได้รักษาศีลได้ทำบุญให้ทานใจของเราก็จะเกิดความสุขขึ้นมาเป็นสวรรค์แทนดังนั้นบางคนก็อาจจะหลงผิดคิดว่าได้ ไปเที่ยวได้ไปทําบาปได้ไปทําอะไรตามความอยากของกิเลสตัณหาแล้วมีความสุขแต่ไม่คิดถึงความทุกข์ที่จะตามมาต่อไปเช่นคนที่ไปยุ่งเกี่ยวกับอาวัยอย่างลุกต่างๆเล่นการพ น, นันเสพสุรายาเมาเที่ยวกลางคืนก็คนชั่วเป็นมิตรเวลาทำก็มีความสุขได้เฮฮาได้ดื่มสุราได้เล่นการพ น, นัน พอเวลาหมดเงินหมดทองไม่มีเงินทองต้องไปลักขโมยหาเงินทองมาใช้ต่อตอนนั้นก็จะมีความทุกข์มีนรกตามมาดังนั้นขอให้พวกเราทนต่อนรกเทียมดีกว่าเช่นมาอยู่วัดมาบวชอย่างนี้ก็เหมือนตกนรกตอนใหม่ๆเพราะว่าต้องอดอยากขาดแคลน รับประทานอาหารก็รับประทานมื้อเดียวแล้วก็เวลารับอาหารก็ต้องรออยู่ปลายแถวรอให้พระที่เขาบวชก่อนเขาหยิบเขาเลือกเขาตักไปก่อนพอถึงเราที่อยู่ปลายแถวเราก็อาจจะไม่มีอะไรที่เราอยากจะได้แต่ถ้าเรายอมอดทน รับประทานอาหารเหมือนกับป็นการรับประทานยาอย่ารับประทานเพื่อความอยากในเรื่องชาติในชนิดของอาหารอาหารนี้ไม่ว่าจะเป็นชนิดใดมันก็ทําหน้าที่เหมือนกันคือให้ร่างกายอิ่มให้อาหารให้ร่างกายอยู่ต่อไปได้ถ้าเราไม่เลือกอาหารอะไรก็เหมือนกันกินเข้าไปแล้วพออยู่ในท้องแล้ว เขาก็ทำหน้าที่ของเขาเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นอาหารที่ถูกปากถูกใจหรืออาหารที่ไม่ถูกปากถูกใจเมื่อรับประทานเข้าไปแล้วก็จะทำให้อิ่มท้องดับความหิวได้ทำให้ร่างกายอยู่ต่อไปได้ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่ตายไปนี่ก็เป็นนรกเทียมที่คนที่มาอยู่บัดทุกคนจะต้องผ่านกัน คนที่มาบวชทุกคนก็ต้องมาเริ่มต้นจากที่ท้ายแถวด้วยกันทุกคนไม่มีใครมาเริ่มต้นที่หัวแถวแต่เมื่ออยู่ไปนานๆเข้าแล้วก็จะขยับขึ้นไปตามลำดับจนในที่สุดก็จะอยู่หัวแถวได้ก็จะเหมือนกับได้ขึ้นสวรรค์ขึ้นไปแต่ละขั้นแต่ละชั้นขึ้นไปเรื่อยๆตามลำดับต่อไปแต่เป็นสวรรค์ที่แท้จริง แล้วก็เป็นนรกเทียมนรกชั่วคราวท่านั่นเองดังนั้นพวกเราเวลาที่ต้องทำบุญทำความดีเราจะรู้สึกว่ายากจะลบาบากจะมีเหตุผลต่างๆมาอ้างเสมอว่าร้อนเกินไปบ้างหนาวเกินไปบ้างหิวเกินไปบ้างอิ่มเกินไปบ้างเมื่อเยเกินไปบ้างเหนื่อยเกินไปบ้างง่วงนอนเกินไปบ้าง จะมีอุปสรรคต่างๆมาคอยขัดขวางคือจะมีนรกเทียมนี่มาคอยขวางเราอยู่ถ้าเรากลัวพวกนรกเทียมเหล่านี้เราก็จะไม่มีโอกาสที่จะได้พบกับสวรรค์แท้เราก็จะมีแต่พบกับสวรรค์เทียมแล้วก็นรกแท้ไปเรื่อยๆเพราะเวลาเราไปเที่ยวนี่รู้สึกว่าง่ายรือเกิดมีความสนุกสนานเฮฮา แต่เวลาที่เราตกอับขาดเงินขาดทองไม่มีเงินทองใช้ตอนนั้นเราก็จะตกนรกนี่คือเนื่องของนรกและของสวรรค์ที่เกิดจากการกระทของเราถ้าเรากระทำตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนตอนต้นเราก็จะได้นรกเทียมได้ความทุกข์ยากลาบากแต่พอเราผ่านนรกเทียมนี้ไปได้แล้ว เราก็จะเจอแต่สวรรค์แท้ไปจนถึงสวรรค์ที่ไม่มีวันหมดสิ้นก็คือพระนิพพานดูพระพุทธเจ้าของเราเป็นตัวอย่างตอนต้นท่านก็อยู่กับสวรรค์เทียมเวลาอยู่ในวังนี้ท่านก็อยู่ถ่มกลางความสุขชนิดต่างๆมีปราสาทสามฤดูมีอาหารทุกชนิดทุกรูปแบบมีเครื่องดื่มทุกชนิดทุกรูปแบบ มีความสุขทุกชนิดทุกรูปแบบแต่มันเป็นสว่างเทียมเพราะเวลาที่ผ่านไปหลังจากที่ได้สัมผัสแล้วก็จะมีความว้าเหว่ตามมาเวลาที่จะต้องอยู่คนเดียวเวลาที่ไม่ได้เสพกับความสุขรูปแบบต่างๆเวลานั้นก็จะรู้สึกเหมือนตกนรกเพราะพระพุทธเจ้าจึงรู้ว่า เป็นเป็นเป็นสวรรคเทียมจึงเลยตัดสินใจที่จะจะออกไปหาสวรรค์แท้ที่เกิดจากการปฏิบัติธรรมเกิดจากการรักษาศรรีลเกิดจากการสละสวรรคเทียมคือสละข้าวของเงินทองต่างๆที่ใช้เป็นเครื่องมือในการซื้อสวรรคเทียมไปก็เลยออกไปสู้กับนรกนรกเทียมก่อน ออกจากวังแล้วก็ไปอยู่ในป่าอยู่แบบขอทานเช้าก็เอาบาตรถือบาตรเข้าไปในหมู่บ้านเพื่อบิณฑบาตได้อะไรมาก็ต้องรับประทานไปตามมีตามเกิดจะรับประทานตามความอยากเหมือนเมื่อก่อนไม่ได้เมื่อก่อนอยากจะรับประทานอะไรก็สั่งเขาได้แต่เดี๋ยวนี้สั่งไม่ได้การกินอยู่ของพระพุทธเจ้าจึงเป็นเหมือนการตกนรกทั้งเป็นนี่เอง แต่หลังจากได้ได้ปฏิบัติทำทำจิตใจให้สงบปรากฏมีสวรรค์แท้ขึ้นมานารกเทียงที่อยู่ที่มีอยู่ก็จะค่อยๆจางหายไปเพราะเมื่ออยู่ไปแล้วพอชินกับการอยู่แบบนั้นแล้วก็จะไม่รู้สึกทุกข์ยากลำบากจะรู้สึกทุกข์ยากลาบากในช่วงแรกๆเท่านั้นเองช่วงที่เราต้องปรับตัวถ้าเราไม่เคยอดข้าวเย็น พอต้องมองอดข้าวเย็นใหม่ๆจะรู้สึกยากลำบากจะรู้สึกทรมานใจแต่ถ้าเราอดไปเรื่อยๆแล้วต่อไปมันก็จะติดเป็นนิสัยไปจะรู้สึกเฉยๆตอนเมื่อก่อนเคยดูหนังฟังเพลงพอมาอยู่วัดไม่ได้ดูหนังฟังเพลงก็จะรู้สึกเหมือนตกนรกทั้งเป็นแต่พออยู่ไปเรื่อยๆนานเข้าแล้วมันก็จะชินเองพอไม่ได้ดูไม่ได้ฟัง นานเข้าไปมันก็จะไม่รู้สึกเดือดร้อนอะไรนารกเทียมก็จะค่อยๆจางหายไปแล้วสวรรค์แท้ก็จะค่อยๆปรากฏขึ้นมาจากการที่เราได้รักษาศีลให้บริสุทธิ์จากการที่เราได้นั่งสมาธิได้ศึกษาได้ฟังเทศฟังธรรมเพื่อป่งอุปท า, านความยึดติดที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์ใจหรือของ ลึกของนรกแท้นรกแท้ที่มีอยู่ในใจก็จะค่อยๆถูกทำลายไปหมดเหลือแต่สวรรค์แท้เป็นสวรรค์ที่ถาวรก็คือพระนิพพานนี่เองนี่คือผลที่พระพุทธเจ้าได้ส่งรับหลังจากที่ได้ทิ้งสวรรค์เทียมไปแล้วก็มาหาหาสวรรค์แท้แต่ต้องผ่านนรกเทียมไปก่อน ต้องฝันต้องต่อสู้กับความทุกข์ยัางยากลำบากทุกรูปแบบจนในที่สุดก็ได้พบกับสวรรค์ที่แท้จริงและเป็นสมบัติในใจของพระพุทธเจ้าไปตลอดอนันตการแม้ในขณะนี้ใจของพระพุทธเจ้าก็ยังมีสวรรค์แท้อยู่พระพุทธเจ้าไม่ได้หายไปไหนท่านอยู่ที่สวรรค์แท้นี้เองอยู่ที่พระนิพพาน ที่พวกเราทั้งหลายก็จะสามารถไปถึงได้ถ้าเรามีศรัทธาวามเชื่อที่จะปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงได้ปฏิบัติมาและทรงนำมาสอนให้พวกเราทั้งหลายปฏิบัติตามคือให้ทำบุญให้ทานให้รักษาศีลแล้วก็ให้ปฏิบัติธรรมฟังเทศฟังธรรมแล้วผลที่เลิศที่ประเสริฐต่าง ก็จะเป็นผลที่จะตามมาต่อไปดังนั้นจึงขอฝากเรื่องศรัทธาความเชื่อใน้ระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ให้ท่านได้นำเอาไปพินิจพิจารณาและปฏิบัติเพื่อความสุขเพื่อสวรรค์ที่แท้จริงที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแต่เวลา จึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศีรัตนไตรและบุญกุศลที่ท่านได้มาบางเพนกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญด้วยอายุวันัสุขะพาะโดยทั่วหน้ากันเธอ